เบอร์ใหม่นะ 543231 อุทวนสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะนี่ FM ครอบครัวข่าวแห่งนี้เรา พรุ่งนี้ใช่มั้ยคะที่จะเริ่มคอร์สปฏิบัติหรือว่าวันนี้วันที่ 12 12 เป็นวันพระครับครับจริงๆเรื่องวันพระเนี่ยอาตมาปกติไม่ทราบว่าวันไหนวันพระอ๋อค่ะทําไมอ่ะถ้าเผื่อ 8 ค่ําเนี่ยจะไม่ค่อยทราบบางทีลืมๆ แต่บางทีก็จนเห็นโยมเข้าคือในปฏิทินที่มีอยู่ค่ะเพราะใช่ๆค่ะท่านไป อาจจะยังไม่สะดวกถึงแม้จะอายุมากแล้วอาพาธรอมา นะไม่ว่าจะเป็นเฉพาะที่วัดหรือแค่ไม่ใช่เช่นคุณได้เงิน หรือว่าคุณเดินไปเอาคุณให้เงินขอทานคุณมีการ จะเป็นสมาธิแล้วมันจะบ้าฟุ้งช่างไป<ะ> บางทีมันเห็นรูปนั้นรูปนี้ฟังก์ชันไป บรรศีลเป็นแบบความไม่ร้อนใจเพราะไม่ร้อนใจแล้วจึงคุณฝืนไปทําสมาธิบางทีสมาธินั้นเป็น <Okay. S 1> เพอร์เฟคไม่ได้ศีล 5 ได้ศีล 4 ข้อทําได้มั้ยมันก็จะทําได้เท่าที่มันได้อ่ะนะทําได้เท่าที่มันได้เพราะงั้นมันก็ 8 ใช่มั้ย ศีลมันจะเป็นไปเพื่อสมาธิมันจะเป็นคือคือบางทีสมาธิก็สมาธิล่ะศีลว่าเชื่อมไปตรงสมาธิอยู่ 1 2 การ 3 การประกอบ 4 ความเป็นผู้มีความสันโดดและ 5 ความเป็น 5 อย่างนี้นะ 1 สมมุติเป็น 4 สมมุติเป็น 4 ทำยังไงนะเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูเช่นเรา ผู้ชายหรือผู้หญิงคนส่วนๆแต่ถ้าโดย 2 กรณีนะจิตเราไม่ให้ไหลไป <c oughs> 1 คือบาง นะถ้าไม่ว่ามันยังจะเป็นไปในทาง 1 นะ 2 <อ>นอกจากการสำรวมอินทรีย์แล้วการรู้ประมาณในการบริโภค 2 <อ> นะข้อที่ 3 นะคือการที่เอ่อเป็นผู้ที่ประกอบอยู่ในธรรมเป็น ในแต่ช่วงกลางคืน 12 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย 12 ชั่วโมงแสดงว่า 6 ชั่วโมงเนี่ยในกลางคืนคุณนอนแล้วไอ้ช่วงที่นอนคุณนอน <Okay. S 1> อันที่ 2 คุณชาบาที่ 3 ของการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นก็คือว่าก่อนค่ะ 5 นาทีเนี่ยกลายเป็นครึ่งชั่วโมงรู้สึก เอ่อเป็นผู้พอใจในความ เกล름 หลับคุณไปนั่งสมาธิอ่ะบางคนอือแต่แต่ปัญหามันบางทีไม่ใช่อย่างนั้น นะแล้วนอนน้อยมาก่อนคุณก็ควรจะต้องไปพักอันนี้แน่ซึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีล่ะอีกอันนึงคือเป็นผู้ 2 ข้างนะเหมือนกันบางคนเนี่ย น่ะเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายสันโดษในบริการแห่งชีวิตนะยก 2, <Okay. S 1> 2> <Okay. S 1> อย่างคือจีวรกับบาตรของท่านค่ะเนาะถ้าเราเป็นผู้ที่ <Okay. S 1> เอ่อซึ่งในที่นี้พุชาพูดถึงการอยู่ป่ามีเสนาสนะอัน <Okay. S 1> เสียงก็จะไม่มาเป็นเช่นน้ํากับเราถ้าเรามีสมาธิในระยะที่พูดถึงสถานที่สงัดเนี่ยเรามามีความเข้าใจว่าเอ่อสงัดในเรื่องสถานที่นี่ก็ 5 ข้อ สติอย่างมีสัมปชัญญะค่ะนะก็คือว่า แล้วไอ้ตรงที่แต่สัก 10 นาทีครึ่งชั่วโมงหรือ 1 ชั่วโมงการมันจะเป็นรูปแบบตรงนี้ค่ะแต่ดี แค่ถามคําถามท่าน อ่าใช่ถูกต้องอธิศีลสิกขาก็ต้องใช้ใช้คํานี้ว่าศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิอ๋อค่ะอ๋อเรียกว่า 5 ข้อเนี้ยไม่ใช่แน่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่ ใช่มีการรู้ประมาณในการบริโภคด้วยมีการ 5 ข้อ 5 ข้อนี้จะใช่ๆ5 ข้อพร้อมเลยในกรณี ช่วยได้เลยหรือเปล่าคะเอ่อก็จะความบริบูรณ์นี่ก็ต้องเกี่ยวนะอย่างถามค่ะแหมมันยังไม่ทันจะแก้ ดังนั้นท่านตอนนี้ก็ไม่ว้าเหวแล้วนะคะมีหลักในกรณีค่ะวัน <Yeah, bye. S 1> ปรีดิ์ปรีดิ์แต่ว่าท่านเนี่ยได้ประโยชน์เหลือเกินนะคะ อาทิตย์นี้เพื่อที่จะบันทึกเสียงให้กับท่านทั้งหลายนะคะจะได้มีโอกาสฟังธรรมแล้วท่านผู้บุญเองก็ไม่เคย ส่วนรวมไม่ว่าจะ 27 ตุลาคมนี้นะคะก็เป็นกําหนดของการค่ะสําหรับ